1. มุสาวาทวัก 5. สหเซยสิกขาบทว่าด้วยการนอนร่วมกันเรื่องภิกษุบวชใหม่ 49. สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทรับอยูนะ่ณอัคคาระวะเจดีเขตเมืองอารวีสมัยนั้นพวกอุบาสกมาฟังธรรมที่อารามเมื่อพระธรรมมกรถึกแสดงธรรมแล้วพระภิกษุเทราทั้งหลายกลับไปที่อยู่ ภิกษุบทวดใหม่นอนร่วมกันกับอุบาสกในโรงฉันขาดสติสัมปัญญะเปลือยกายละเมอกรนพวกอุบาสกพากันตนําหนิประนามพลทนาว่าฉนัยพระกุณเจ้าทั้งหลายจึงนอนขาดสติสัมปชัญญะเปลือยกายละเมอกรนเล่าภิกษุทั้งหลายได้ยินพวกอุบาสกตําหนิประนามพลทนาแล้วบรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษจึงพากันตนําหนิประนามพลทนาว่า ขณะไอพวกพิสุจจึงนอนขาดสติสัมปชัญญะเปลื่อยกายละเมอกรนเล่าครั้นพิสุ์เหล่านั้นตำหนิ พ, พวกพิสษุบวชใหม่โดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ